ไปนะครับพระองค์นี้ชื่อว่าพระตถ า, าคตนะครับเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นนะครับแต่ทายะขะโตติตถาขโตคือเสด็จไปโดยประการนั้นถามว่าเป็นอย่างไรคือพระโล ก, ก น, นาฏนี่นะครับพระโล ก, ก น, นาฏคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกเนี่ยนะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดําเนินไปลําบากนะครับสัตว์เนี่ยดำเนินลําบากไหมครับ นะลำบากน ะ, ะลำบากเพราะอะไรครับแก่ลำบากเพราะเจ็บลำบากเพราะไข้เป็นต้นนะลำบากทํามาหากินเนี่ยนะพระองค์นี้เห็นหมูสัตว์ผู้ดําเนินไปลําบากเนี่ยนะเพราะทุกใหญ่นะทรงมีพระมนต์คือมีใจอันกรุณาใดให้อาถานขึ้นว่านะครับคือเห็นสัตว์ทุกข์มากๆเนี่ยนะกรุณาที่เกิดขึ้นในจิตของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์อาถานให้กล้าว่างั้นเถอะให้กล้าคิดขึ้นว่าหมูสัตว์นั้น ไม่มีใครอื่นเป็นที่พึ่งเราเท่านั้นพ้นจากสังสารทุกข์นี้แล้วจากยังสรรพสัตว์ให้พ้นด้วยจึงได้ทำมหาอภินิหารคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นนะครับครั้นแล้วถึงเอ่อทรงถึงความอุตสาหะอันให้สําเร็จประโยชน์แก่โลกทั้งสิน้นตามที่ได้ทรงตั้งปณิธานไว้นะครับคือหมายความว่า ไอปณิธานที่ได้ตั้งไว้อย่างไรเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงทําปณิธานอ น, นั้นให้สําเร็จแล้วทรงไม่ห่วงใยร่างกายและชีวิตของพระองค์ทรงบําเพ็ญทุกขระกิริยาที่ทําได้ยากอันทําความสะดุ้งจิตให้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพียงได้ยินทางโสตะทวานของชนเหล่าอื่นนะครับโดยเฉพาะชาติสุดท้ายใช่ไหมครับที่พระองค์ทรงบําเพ็ญทุกขระกิริยาเนี่ยนะครับด้วยความทุกข์โดยประการต่างๆเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระทุกขระกิริยาด้วยความทุกข์โดยประการต่างๆเนี่ยนะครับใครได้ยินนี่ก็สลดใจแล้วใช่ไหมครับโอ้โหฟังแล้วก็หืมนะครับสะดุ้งทางความคิดเลยนะลองไปอ่านดูนะครับอ่านมหาสีหนาสูรหรือโลมาโล ม, าโลมาหางสัสูตรนะครับหรืออ่านประวัติตอนที่พระองค์ทําทุกขระกิริยานี่จะเห็นว่าโอ้โหฟังแล้วก็สะดุ้งเลยนะครับว่าโอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยนะ พานนยังสะดุ้งเลยนะครับอฟังแล้วโอ้โหพระ อ, องค์บำเพ็ญขนาดนี้เลยเชียวหรือกว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยทรงดําเนินโดยประการที่ข้อปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณเนี่ยนะครับมาดูนะวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับอันไม่เป็นหานะภาคยะคือไม่เป็นส่วนแห่งความเสื่อมเลยนะไม่ใช่วันนี้ทํากุศลได้เท่านี้พรุ่งนี้ก็มาสเปะสปะ ก, กว่าเก่านี้ไม่มีนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นนะนะมีไอ้ขอไปนะ ก็ถ้าพูดพูดภาษานักเรียนเนี่ยนะครับเรียนแล้วตกสมมุติว่าเรียนไปถึงป .3 เลยนะจะตกมาอยู่ป .2 ป .1 ไม่มีนะครับจะซ้ําชั้นก็ไม่มีมีแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นป .4 ป .5 ป .6 มัธยม123456ปริญญาตรีโทเอกมีแต่จะเติมคุ้นขึ้นๆลักษณะนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ธทำเนี่ยไม่เป็นสังกิเลสะภาคยะไม่มีความเศร้ามองระคนปนอยู่เลยหรือทิติภาคยะส่วนแห่งการดํารงอยู่ โดยที่แท้เป็นวิเศษสะพาคิยะอย่างยอดเยี่ยมหมายความว่ามีแต่พัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขาเรียกว่าวิเศษสภาคิยะส่วนแห่งความวิเศษแท้จริงส่งสําเร็จโพธิสมภาร น, นะครับอย่างสิ้นเชิงโดยลําดับแล้วจึงบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ น, นะครับคือเมื่อบําเพ็ญแล้วก็ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆนะครับ พระองค์ก็ได้ทรงแทงตลอดอริยสัจอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วอริยสัจที่พระองค์ทรงแทงตลอดนี้ครับก็ยังช่วยหรือขนสรรับสะสั์ให้ข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวนะครับเบื้องหน้าแต่นั้นทรงมีพระมนต์คือใจนี่นะครับอันพระมหากรุณา น, านั่นแหละกระตุ้นเตือนทรงละความยินดีในความสงัดนะครับ คือแม้กระทั่งกายวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะของพระองค์พระองค์ก็ต้องสละนะครับจิตวิเวกก็ต้องสละนะครับถามว่าสละยังไงครับขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ได้เข้าออคือขณะที่พูดะนะก็ไม่ได้เข้าสมาบัติเป็นต้นนะครับแล้วก็แทนที่จะได้เสวยอุปธทวิเวกนะครับคือการเข้าพระสมาบัติทั้งหลายก็ไม่ค่อยได้เข้าเพราะต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์สภาสะทั้งหลายเนี่ยนะครับพ ร, พระองค์สละ ความสงัดสละความสุขอันเกิดแต่วิมุกอันสงบอย่างยิ่งแล้วก็ไม่คํานึงถึงประการที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ชาวโลกอันมากด้วยพาลชนให้เกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็ไม่สนใจนะครับว่าใครจะมาต้องทําอะไรกับพระองค์บ้างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเทวทัตหรือนางจินจะมานวิกาหรือพวกเดรธีทั้งหลายมาคอยขัดขวางพระองค์เป็นต้นพระองค์ก็ไม่สนใจนะครับคือไม่คํานึงถึงเลยว่าโอ้โหนี่นะเขาเม้าต่อว่าเรานะเราไม่ช่วยเขาหรอก งองอนอะไรเป็นต้นนี้ไม่มีนะครับถ้าเขาจะตรัสรู้เนี่ยนะครับมาโอ้ไปหาคนนี้เขาจะด่าเราเอย่าไปหาเขาเลยอย่างเงี้เป็นต้นเนี่ยพงษ์ไม่มีเด็ดขาดถ้ารู้ว่าเขามีอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ทำนะครับพรงค์ก็จะไปเขาจะผิดยังไงก็ก็ยอมนะครับก็คือเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาอ่ะนะแล้วพระองค์ก็ทรงสําเร็จพุท ธ, ทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงด้วยการแนะนําชนที่ควรแนะนํา หมายความว่าแนะนําเวนยศาสตว์ได้โดยสิ้นเชิงนะครับคือไม่ได้ว่าไปช่วยได้หมดนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นพวกยุงพวกเหลือบพวกมแมลงก็ไปเทพให้ฟังหมดม่ใชขนาดนั้นหรอกก็จะช่วยเฉพาะคนที่พอช่วยได้พอที่จะโปรดขึ้นสงเคราะห์ได้นั่นแหละครับในข้อนั้นก็การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระมหากรุณาลงในหมู่สัตว์ทั้งหลายฉันใด แม้พระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นนะครับคือกิริยาเนี่ยนะครับประพฤติเป็นไปในแนวเดียวกันเหมือนกันทรงมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ในการบำเพ็ญมหาอภินิหารเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระมหากรุณาของพระองค์จึงเชื่อว่าทองแท้ไม่กลายเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะมีภาวะเสมอกันในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อนะครับ เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์นี่นะครับมีใจหวังว่าเออทำไฉนเนาะสัตว์ทั้งหลายจึงจากพ้นจากทุกเนี่ยนะทำไฉนเนาะสัตว์ทั้งหลายจะเจริญงอก ง, งามด้วยศีลเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์เกียงทรงพนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปคือดําเนินไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งสิ้นด้วยพระมหากรุณาอันทองแท้มีกิจ หน้าที่เสมอกันในสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้ในกาละทั้งสนะครับคือแม่ไม่ใช่เวลาใดเนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตก็ประพฤติด้วยกรุณาต่อสรรพสัตว์แม้ในอนาคตก็จักประพฤติเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์แม้ปัจจุบันก็ประพฤติเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์เนี่ยครับด้วยพระหมหาการุณาที่คุณเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหอดีตเนี่ยนะดุดาว่าสัตว์แม้ปัจจุบันเพื่อจะสงสารเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่นะครับอดีตก็มีกรุณาต่อสัตว์แล้วอนาคตต่อไปก็จะมีกรุณาต่อสรรพสัตว์แม้ปัจจุบันก็มีกรุณาต่อสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นกรุณาที่หวังประโยชน์เกือ้อกูลเนี่ยนะครับที่ประพฤตเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์เนี่ยตลอดเวลาในการทั้งสนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการนั้นนะครับก็คือเสด็จไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เพราะมีมหากรุณาให้กระตุ้นเตือนหรือชักชวนให้บำเพ็ญขึ้นนั่นเองนะครับนะถ้าหากว่าศึกษาในพระมหากรุณาธิคุณในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็คงจะยินดีในการศึกษาและการประพฤติปฏิบตัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์ เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงทรงเปิดเผยบอกกล่าวเพื่อสงเคราะห์อนุเค ร, ราะห์ศสตราศาตร์ทั้งหลายนั้นเนี่ยนะหวังไปหวังประโยชน์นะครับทําด้วยมระกรุณาจริงๆนะครับเพื่อเราจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น เ, เราเราจะคิดยังไงเมื่อเมื่อได้ยินได้ฟังว่าคนอื่นเขาทาเพื่อเรานะครับเสร็จแล้วเราจะนิ่งดูดายไหมต่อคําสอนทั้งหลายเหล่านั้นใช่ไหมต่อไปนะครับ ข้าตถาคตในยะที่สมนะครับเพราะเสด็จมาถึงยานะอันถ่องแท้ตถานิอาคโตติต i าคโตนะครับเพราะมาถึงญานที่ทองแท้เนี่ยนะครับเพราะว่าในหัวข้อที่สามนี่นะครับกล่าวถึงพยานมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแปลว่าเพราะเสด็จมาถึงยานอันทองแท้นะครับคือไม่ใช่ยาณอันเดียว น, น, นะครับถามว่าเป็นอย่างไรครับคือนะครับ พยานที่จะแสดงเนี่ยนะครับมีมีหลายยานมากนะครับนะมีทั้งแต่พวกอริยมรรคยานเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรคือชื่อว่าทองแท้นี่นะครับยานแรกได้แก่อริยมรรคยานสี่ก่อนนะครับโซดาปฏิมรักสกะฏาคามิรักอนาคามิรักและก็อรหัตมรักนะครับออจริงอยู่นะครับอริยมรรคยานเหล่านั้นนะครับชื่อว่าทองแท้ ไม่ผิดแล้วก็ไม่กลายเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับเพราะไม่กล่าวลักษณะแห่งสภาวะธรรมพร้อมทั้งกิจให้คลาดเคลื่อนนะครับคือลักษณะของอริยมรรคเนี่ยนะครับมีการแทงตลอดกิจของธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยที่ไม่คลาดเคลื่อนเลยนะครับแห่งธรรมะคืออริยสัจสีที่เป็นปวัตตินะปะวัตตินี้แปลว่าความเป็นไปนะครับหมายถึง ทุกขาริยาศัตร์นะครับแล้วก็นิวัตินะครับทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยาศัตร์นี่นะครับไม่เป็นไปนะครับคือไม่เป็นไปในสังสารทุกข์นะและเหตุแห่งธรรมะทั้งสองนั้นนะครับคือเหตุแห่งปวัตติได้แก่สมุทัยศัตร์นะครับเหตุแห่งนิวัติเหตุแห่งนิโรธก็ได้แก่มรรคศัตร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องรวบรวมยถายธรรมทั้งมวลนะครับยถายธรรมก็คือธรรมะที่ควรรู้อย่างนี้วันนี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุคเนโรดนี้ทุขเ น, โ ร, น, น, โ, รนโรธคามินีปฏิปทาเพราะฉะนั้นในขณะอริยมรรคเนี่ยนะครับจักแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ี่ประการพร้อมกันนะครับโซดาปฏิมรรคก็แทงตลอดอริยสัจ4ี่ประการพร้อมกันสกท า, าคามิมนมรรคอนาคามิมรรคหรืออรหัตตมรรคก็แทงตลอดอริยสัจทั้ง4เนี่ยนะครับพร้อมกันทีนี้ในขณะที่แทงตลอดอริยสัจ4ี่พร้อมกันเนี่ยแทงตลอดลักษณะไหนครับ แทงตลอดด้วยอาการ16นะครับคือสัจจะละสีนะครับแทงตลอดสัจจะคือทุกขสัจสี่สมุทัยสัจสีนิโรธสัจสีมรรคสัจสี่ประการนะครับเช่นแทงตลอดทุกขสัจว่าทุกขสัจนี้บีบคั้นนะปีลณะเนี่ยนะครับอาถรวามันบีบคั้นนะทุกขสัจเนี่ยนะครับตัวทุกเองนั้นเป็นสภาวะที่บีบคั้นแล้วก็แทงตลอดทุกขสัจเนี่ยนะครับอันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยคือสังคตานะสังคตะนี้ปัจจัยปรุงแต่ง แต่ที่เห็นสังขตะนั้นหมายถึงเห็นสมุทัยนะครับเห็นสมุทัยที่เป็นเหตุปรุงแต่งแล้วก็ทุกขศาส์นี่นะครับเป็นสันตาปณะนะครับเป็นความเร่าร้อนเป็นความเดือดร้อนนะครับทีนี้พอเห็นมรรคที่เป็นเหตุให้ถึงความเย็นเนี่ยนะครับส่วนทุกขศาส์อีกชื่อหนึ่งคือวิปริณามะคือความแปรปรวนมันก็แปรปรวนนี้ก็แทงตลอดเพราะเห็นนิโรธ อันไม่แปรปรวนนะครับถามว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทยัยเคยได้ยินนะครับผู้ใดเห็นทุกขสมุทยัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธผู้ใดเห็นทุกขานิโรธชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเพราะแทงตลอดในขณะเดียวกันในขณะอารย ม, มักนะครับ เพราะฉะนั้นท่านจึงอธิบายว่าถ้าเห็นว่าทุกเนี่ยบีบคั้นเห็นว่าทุกนี้อันปัจจัยปรุงแต่งเห็นว่าทุกขนี้เดือดร้อนเห็นว่าทุกนี้แปรปรวนถามว่าเห็นเป็นอริยสัจได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงเห็นเป็นอริยสัจสี่ในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็ยังเห็นสมุทัยสัจว่าสมุทัยนี้ประมวลมานะอายุหะณะเนี่ยประมวลมาประมวลอะไรครับประมวลทุกมาสมุทัยสัจนี้เป็นเหตุคือเป็นนิทานะนะครับ ถามว่าเหตุนี่เหตุนำอะไรมานำทุกมานะครับน่สมูทัยนี่เป็นเหตุนะครับถามว่าเหตุนำอะไรมาก็คือนำทุกขมาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเหตุแสดงว่าเห็นทุกแล้วนะครับแล้วก็เห็นสมูทัยที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพนี่ก็แสดงว่าเห็นนิพพานนะครับที่ไม่ประกอบสัตว <izer> ์ไว้ในภพแล้วก็เห็นว่าสมูทัยนี่เป็นกังวล that, เป็นปริปโพธะเพราะเห็นอริยมรรณะเป็นเครื่องตัดความกางังวล เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นสมุทัยเนี่ยนะครับเท่ากับเห็นอริยสัจด้วยเท่ากับเห็นทุกสัจเห็นนิโรธสัจแล้วก็เห็นมรรคสัจด้วยในขณะพร้อมกันในขณะแห่งโลกุตระมรคนะครับทีนี้ถ้านิโรธสัจนะครับนิโรธสัจก็คือเพราะนิโรธนี้เพราะอธิถาว่านิสรณะนะครับแปล ว, ว่าสลัดออกฉะนั้นตัวนิโรธจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกขนะครับ นี้ก็เห็นวันนิโรธเนี่ยเป็นความสงกัดนะเพราะสงัดจากเหตุให้เกิดทุกข์นะครับคือสังกัดจากสมุทัยแล้วก็เห็นว่านิโรธนี้อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใดๆปรุงแต่งได้เพราะอะไรครับเพราะเห็นมรรคนะครับที่ที่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงอันนั้นนะครับแล้วก็เห็นว่านิโรธเนี่ยนะครับเป็นอมตะ คือไม่ตายแสดงว่าทุกทุกนี้ตายใช่ไหมครับทุกสตัตมนี้มรณะไหมเป็นมรณะใช่ไหมนิโรดนี้ไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าขณะแทงตลอดนิโรดสัตว์จริงๆก็แทงตลอดอริยสัตว์ที่เหลือด้วยในขณะเดียวกันนะครับขั้นข้อความในสัตรธรรมมาปกาศินีเนี่ยนะครับอธิบายให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการแทงตลอดอริยสัตวเนี่ยต้องแทงตลอดในขณะเดียวกันซึ่งบทความอันนี้ไม่ใช่ ในสัทธรรมประกาศินีอย่างเดียวแม้แต่ปฏิสามพิทักมรึกเองแม้แต่ในคัมภีรอื่นๆเองก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่าอริยสัจสีนี้แทงตลอดในขณะเดียวกันนะครับในขณะอริยมรึ ก, กันนะส่วนมรึกสัตว์เนี่นะครับมีอัตถะว่านําสัตว์ออกจากทุกข์คือเป็นนิยานิกะนะครับนําออกจากทุกข์จริงๆนะครับตัวมรึกเนี่ยนะเป็นตัวที่นําออกจากทุกข์ได้จริงๆแล้วก็ยังเห็น ว่ามร์เนี่ยเป็นเหตุนะครับเหตุอะไรครับเหตุเพื่อความพ้นทุกข์เทาก็เห็นสมุทัยนะครับซึ่งเป็นเหตุแห่งกองทุกข์นะนะมร์นี้นะครับเป็นทัศนะเป็นผู้ที่เห็นถามว่าเห็นอะไรครับมร์นี้เห็นอะไรเห็นนิโรธหรือเห็นนิพพานมร์นี้เป็นใหญ่ครับเป็นใหญ่เนื่องจากว่าทุกข์เนี่ยนะมันแับแคบนะครับทุกข์นี้มันเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนอ่ะนะลักษณะของทุกข์อ่ะ ส่วนนิพานเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นใหญ่เหมือนกับพวกเศรษฐีทั้งหลายลักษณะนั่นนะครับผู้ที่ปรารถนาจะค้นคว้าการแทงตลอดอริยศาสตร์4ในในขณะเดียวกันนี่นะครับก็ดูได้นะในเล่ม68นะครับหน้า301ถึงหน้า303นะครับในในฉบับของเราเนี่ยนะมีอธิบายไว้นะครับอันนะครับ เพื่อความเป็นไปแห่งอาการอันไม่ผิดแปลกกล่าวคือความตรัสรู้โดยไม่งมงายนะครับในธรรมะนั้นอันได้ด้วยการตัดขาดธรรมะอันเป็นฝักฝ่ายแห่งสังกิเลสอันเป็นเหตุกลางกั้นความอย่างรู้สภาวะตามเป็นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับไม่ทรงมีผู้อื่นแนะนําทรงมาถึงคือบรรลุอริยมรรคยานสี่เหล่านั้นด้วยพระองค์เองทีเดียว การตรัสรู้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับพระองค์ตรัสรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครมาชี้แนะเลยนะครับของเราเนี่ยชี้แล้วชี้อีกก็ยังไม่เคยจะเห็นว่างั้นเหรอมบอดจริงๆนะครัขนาดชี้แล้วนะยังไม่เห็นไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนนะครับโอ้บอดจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบอดแล้วก็ยังทายาก็พอจะเยียวยาได้บ้างนะครับแต่บอดแล้วยาก็ไม่ทานยาก็ไม่ทาเป็นต้นนี่ก็เปอร์เซนต์บอดถาวรจริงๆนะครับ เพราะนั้นพระองค์ชื่อว่าพระถาคตนี้เพราะอะไรครับเพราะเสด็จมาถึงมัรรยานอย่างแท้จริงนะครับนะสถาคตนี่นะครับหมายถึงว่าพระองค์นี้ทรงบรรลุอริยมรรยานที่แท้จริงที่ท่องแท้นะครับไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนเลยนะอา่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรับรองนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้มรรยานสี่นี่นะครับมีมากมายภาษ า, าริบุตรก็ได้มรรยานสี่พระโมคคัลลานะพระมหากัสปะพระอา น, นุนพระอนุรุทธะ พระทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็ได้มรรคยานสี่นะครับท่านก็เป็นเป็นเป็นผู้รับรองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พวกที่เป็นกรรษัตริย์ทั้งหลายมาออกบวชเช่นพระเจ้ามหากปินะเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เป็นกรรษัตริย์แล้วก็ออกบวชนะครับแล้วก็แทงตลอดมรรคทั้งหลายเหล่านั้นด้วยนะครับถ้าหากว่าคําสอนเหล่านี้ไม่ดีจริงก็ต้องกลับไปครองบ้านครองเรือนตามเดิมแต่นี้ท่านเหล่านั้นก็ยังเสียสละประพฤติทธรรมจนถึงชีพจนวายปรานนะครับจนถึงกระดับขันปรินิพาน ก็แสดงว่าอรรยมรรคขยานนั้นเป็นของจริงของแท้เป็นสัจจะที่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงหัวข้อที่จะอธิบายลาดับญาณที่พระมุีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้โดยคร่าวๆนะครับคือภาวะที่ทองแท้คือพระยานอันปัดใจอะไรๆไม่กระทบกระทั่งในการทั้งสามนะครับคือญาณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับ บางยานนี่นะไม่มีอะไรกระทบกระทั่งในการ3มหมายว่ารู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยสิ้นเชิงหรือปฏิสามพิทา4ีนะครับเวสารชยาน4นะครับยานที่กำหนดคติ5อาสาธารณยาน6ยานที่แจมแจ้งในโทษฉงเยานอันแจมแจ้งในอริยมรรค8ปยานในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9แล้วก็พระยายาน ภรรยาเ น, นี่ยนะครับก็คือทศพลรยาสิบนั่นเองนะครับของพระผู้มีพระภาคเจ้ายานเหล่านี้พระองค์ก็แจ่มแจ้งเหมือนมัคคายนมัคคายนที่ตรัสรู้อย่างแจ่มแจ้งโดยสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีใครแนะนําฉันใดยานที่จะกล่าวต่อไปนะครับมียานที่มีปัจจัยอะไรไม่กระทบกระทั่งในการ3เป็นต้นก็ในยะเดียวกันนะครับคือรู้แจ้งแทงตลอดได้โดยถูกต้องไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนไม่งมงายนะครับ ใ น, ในยานทั้งหลายเหล่านั้นนะครับในความข้อนั้นมีความแจมแจ้งนังต่อไเป็นนี้นะครับคือยานที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะคือยานอันปัจจัยอะไรอะไรไม่กระทบในการสามคือบาลีว่าอั ป, ปติหัตยานในการสามนะครับยานที่ไม่ถูกขัดขวางว่า ง, งั้นเถอะประสงค์จะรู้เมื่อไหร่รู้ทันทีเลยเจริงอยู่เพิ่งทราบธรรมะทั้งหลายยางใดยางหนึ่งเอางี้นะธรรมะหรือสภาวะธรรมเนี่ยนะครับยานใดยางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสภาวะกิจเป็นต้นความแปลกกันในการกำหนดเป็นต้นและนามโคนามคือชื่อนะครับโคตตระกูลทั้งหลายที่เนื่องกับขันเป็นต้นในขันอายตนะและาธาตุอันเป็นอดีตขันธาเหล่านั้นก็ต่างโดยประเภทมีหน้ธรรมนะครับธรรมเลวธรรมปานกลางธรรมปนิต์เป็นต้นเนี่ยนะครับของสตร์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ ในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะครับพองษ์เนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยนะครับว่าใครมีรูปร่างมีชื่อมีหน้าตามีผิวพรรณมีตามีหูจมูกพิการหรือเปล่าอะไรเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดหมดเกี่ยวข้องใช้ชีวิตยังไงในอดีตมาเนี่ยนะครับอย่าว่าธรรมดานี่เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตนะครับพองษ์ก็รอบรู้อย่างหมดนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น น, นะ ถ้าพระ อ, องค์ไม่รู้แล้วพระ อ, องค์จะมาแสดงถึงสุมเมตกถาได้อย่างไรแสดงถึงประวัติพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรกกลธัญะมังคละสุบนาเรวตะเป็นต้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เหล่านั้นพระ อ, องค์เข้ามาแสดงมาเปิดเผยมาจำแนกให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งจริงๆนะครับแจ่มแจ้งแค่ไหนครับเหมือนกับผลมะขามป้อมที่อยู่บนฝ่ามือว่า ง, งั้นเถอะนะ นี่เราก็เอาหยิบมาขามป้อมมาวางบนฝ่ามือดูนะครับเพื่อจะเห็นเจีมแจ้งแบบนั้นนะอะไรครับเห็นมาขามป้อมไงนะครับอันหนึ่งพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งเป็นไปโดยประจักษ์ในที่ทั้งปวงในความพิเศษแห่งวันนะนะครับสีนะวันณะคือสีสันฐานกลิ่นรสและภาษะเป็นต้น เออว่าไอตัวนั้นเนี่ยมันแข็งแข็งแค่ไหนเป็นตัวเนี่ยรู้หมดนะครับของธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนะครับคือปัจจัยุบันแต่ละอย่างเนี่ยรู้แจ้งหมดเลยและความพิเศษแห่งปัจจัยนั้นๆแม้กระทั่งในรูปธรรม ท, ที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์แม้ที่ละเอียดยิ่งที่อยู่ภายนอกฝาและอยู่ในที่ไกลเหมือนผลมะขามป้อมที่อยู่บนฝ่ามือฉะนั้น เพราะฉะนั้นฝุ่นทั้งหลายในอดีตที่เคยมีอย่างรดอย่างรดอย่างหนึ่งเนี่ยพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดนะครับไอเหตุการณ์ทั้งหลายที่เรารู้เราได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะจริงอ่ะพระองค์รู้หมดนะครับและพยานที่เป็นไปในอนาคตนะครับและปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับคือรู้อดีตอย่างไรรู้อนาคตก็อย่างนั้นนะครับแม้ปัจจุบันก็รู้อย่างสิ้นเชิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นยานนี้ชื่อว่าไม่มีอะไร ไม่มีปัจจัยอะไระไรกระทบกระทั่งในการทั้งศะนะครับไม่ว่าจะเวลาไหนเหมือนอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่ายานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าในส่วนอดีตไม่มีปัจจัยอะไระไรกระทบกระทั่งนะครับประสงค์จะรู้อดีตนี่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับอย่างที่ว่าไปหายใจฮึดเดียวเนี่ยครับก็รู้91้ากลับทันทีนะครับท่านนั่งพิจารณาสักชั่วโมงหนึ่งจะขนาดไหนนะ จะช่วยหายใจนี่นะครับกี่วินาทีเองนะครับแป๊บเดียวนะวินาทีหนึ่งก็รู้เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าในส่วนอนาคตไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนปัจจุบันไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งก็พยานที่ไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งในกาละทั้งสามนี้นั้นเชื่อว่าถ่องแท้ไม่ผิด ไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะได้ตรัสลักษณะและแห่งสภาวะพร้อมด้วยกิจแห่งธรรมะในที่นั้นๆไม่ให้คลาดเคลื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุพยานที่ไม่มีปัจจัยอะไรอะไรกระทบกระทั่งในกาละทั้ง3เหล่านั้นด้วยสยามพูยานนะครับด้วยยานที่รู้แจ้งได้ด้วยด้วยพระองค์เองนั่นแหละนะครับไม่มีผู้อื่นแนะนําอะไรรอกแต่ เ, เราเอามั่งได้ไหม ทำไมครับเพราะไม่มีเพราะไม่ได้สเสด็จมาอย่างนั้นไม่ได้ตั้งความปาทะายังไม่ได้ทามภพิณิหารอะไรมาในอดีตเหมือนกันน่ะจะมารู้เหมือนกันได้ยังไงใช่ไหครับบารมีก็ยังไม่ได้บำเพ็ญเป็นต้นเนี่ยนะจะรู้เหมือนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ไม่รู้เพราะไม่ได้ทําเหตุมาเหมือนกับพระองค์ท่านนะครับไม่ได้ทําเหตุมาเลยไม่รู้แบบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นพระองค์ชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงพยานอันปัจจัยอะไรๆ ไ, ไม่กระทบกระทั่งในกาละทั้งสามอย่างท่องแท้แม้ด้วยประการชนีนะครับพระองค์นี้มีพยานเนี่ยนะคะรับรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันอย่างละเอียดละอถีทุวนหมดนะคะรับเพตอะเหตุการณ์ในโลกในจกักรวาลในอนาคตอีกสักพันโกดล้านแสนล้านปีอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดนะครับแต่พระองค์จะเล่าให้ฟังทําอะไรนะครับ ถ้าไม่มีประโยชน์นะถ้าไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคสัตว์พระองค์จะไม่แสดงนะครับแต่ว่าถามว่าสิ่งในอดีตทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์แสดงไว้เยอะแสดงว่าไงครับแสดงว่าน้ําตาของเธอที่สูญเสียเนี่นะครับเพราะพ่อตายแม่ตายพี่ชายน้องชายเป็นต้นตายเนี่ยนะครับมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรอันนั้นคือพระองค์ทรงประมวลชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในอดีตนะครับถ้าหากว่าเธอไม่ละกิเลสนะ ศพของเธอก็จะกองกลับเดียวก็สูงกว่าเขาเวปุระบรรพศแลว้พวพงก็ตรัสไว้นะครับโอนี่ท่านหล า, หลายสิบกับเข้าอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้ความทุกข์ของปุตชนผู้ไม่รู้แจ้งพระศัตรธรรมที่จักมีต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับภูเขาสินิรุมใหญ่โตเท่ากับทะเลมหาสมุทรส่วนทุกข์ของผู้ที่บรรลุพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับน้ำเจดหยดหรือว่าถัวถ่วถั่วเจ็ดเมล็ดเท่านั้นเองนะครับ เหลือนหน่อยเดียวเท่านั้นเองครับของพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็แสดงประมวลสิ่งเหล่านั้นมาให้สัตว์นี่นะครับได้ไข้ครวญได้สลดใจสังเวชใจนะครับในฐานะถึงวัฏทุกข์ในอดีตวัฏทุกข์ในอนาคตแล้วก็โดยทั่วท่ไปพระองค์ก็ยังแสดงถึงทุก์ในการสแสวงหาในการทำมาหากินในยุคปัจจุบันนี่นะครับทุกโทษที่ได้รับต่างๆนี่นะครับและพระองค์ก็สอนเพื่อให้เข้าถึงธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งวัฏทุกข์นะครับ โดยที่พระองค์ไม่ปิดไม่บังอะไรเลยนะครับเพื่อความพ้นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายอย่างจริงๆนะครับอันนี้ก็ชื่อว่ า, าพยานอันปัจจัยอะไรๆไม่กระทบกระทั่งในการสามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า